วันนี้ก็ไม่เป็นวันดีวันหนึ่งเนื่องจากท่านเจ้าวาดได้มีไอเดียความคิดที่จะให้ลูกวัดมาจับไมค์คนละสอ ง, ส, องสามนาทีเพื่อบรรยายธรรมเทศนาให้กับญาติโยมได้ฟังเพื่อเพิ่มสติปัญญาให้กับทั้งผู้เทศและผู้ฟังครั้งนี้ก็ เป็นครั้งแรกของอาตมาในรอบบวชครั้งนี้ที่จะได้เทศนาบรรยไยธรรมสดโดยที่ไม่มีสคริปต์ธรรมะนั้นคืออะไรสำหรับอาตมาแล้วธรรมะก็คือธรรมชาติความเป็นจริงสรรพสิ่งในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของ ดินฟ้าอากาศทุกอย่างรอบตัวเราที่อยู่ในโลกนี้แต่การที่จะมองธรรมชาติให้เป็นธรรมะนั้นก็ต้องมีสติปัญญาถึงจะเห็นว่าในธรรมชาตินั้นมีธรรมะในธรรมะนั้นมีธรรมชาติ มาก็จะยกตัวอย่างธรรมะในธรรมชาติสักเรื่องหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งมีฝูงนกฝูงหนึ่งได้บินออกหากินได้เลี้ยงชีพตามธรรมชาติแต่ละตัวนั้นก็ต่างหากินแต่ไปกันเป็นฝูง วันหนึ่งนกผูงนั้นได้ติดตะข่ายของคนที่วางพอต่างตัวต่างติดนั้นติดใต้สำนึกของความเห็นแก่ตัวไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ได้เกิดขึ้นคนเรานั้นไม่ว่าสัตว์หรือคนก็มีความเห็นแก่ตัวเป็นเบื้องต้นติดมาตั้งแต่เกิด ถ้าใครบอกว่าไม่มีความเห็นแก่ตัวคงจะเป็นไปได้ยากเพราะคนเรานั้นเวลาตื่นเช้ามาตื่นนอนมายังไม่ได้เพราะคนเรานั้นตื่นมายังไม่ได้ล้างหน้าล้างตาแปรงฟันบางคนก็ต้องทำธุระอาบน้ำบางคนก็ต้องเข้าห้องน้ำ ถ้าสมมุติว่าในขณะช่วงนั้นที่ตื่นมาก่อนเข้าห้องน้ำมีคนได้มาขอความช่วยเหลือเราว่าให้ไปช่วยยกของ น, นู่นนี่นี่นั่นหน่อยเราจะไปไหมเราก็ไม่ไปเราก็ต้องทำธุระของตัวเองให้เสร็จก่อนเราถึงจะไปเช่นเดียวกับนกต่างตัวจิตใต้สำนึกเกิดขึ้นความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นจึงขาดสติ นกแต่และตัวนั้นก็มีแรงอนน้อยนิดแต่และตัวบางตัวก็บินไปด้านหน้าตะขายด้วยแรงอนน้อยนิดบางตัวก็บินไปด้านหลังตะขายด้วยแรงอนน้อยนิดบางตัวก็บินไปด้านซ้ายบางตัวก็บินไปด้านขวาต่างตัวต่างตนต่างบินเพื่อที่จะเอาตัวรอด แต่สุดท้ายทุกตัวก็ไม่รอดเพอะนอกพวกนั้นขาดสติขาดความสำมคัครีถ้านกพวกนั้นมีสติและมีความสมคัคีตั้งตัวตั้งหยุดแล้วก็ร่วมใจกันที่จะบินขึ้นไปข้างบนพร้อมกันทีเดียวมีหอรอตาข่ายจะไม่หลุดเช่นเดียวกับหมู่บ้านหมู่บ้านไหนที่มีสติปัญญา มีความสมัครคีหมู่บ้านนั้นก็จะแข่งแรงแข่งแก่งขอยกตัวอย่างเป็นหมู่บ้านหนึ่งมีทหารสัก50ิคนขอแทนค่า1คนเท่ากับหนึ่งกิ่งกิ่งไม้เพราะฉะนั้นแล้วห0สิบคนก็เท่ากับห0กิ่งไม้ถ้าต่างคนไม่มีสติ ต่างเอาตัวรอดต่างสู้โดยไม่มีความสมัคคีโดนค่าศึกโจมตีค่าศึกก็จะหักกิ่งไม้ทีละกิ่งทีละกิ่งทีละกิ่งจนครบห0สิบกิ่งหมู่บ้านนั้นก็แตกสลายพังพินาศแต่ถ้าหมู่บ้านไหนมีสติปัญญามีความสมัคคีรู้จักเอากิ่งไม้ทั้งห้าสิบกิ่งนั้น มารวมกันล้วมัดไว้ก็จะกลายเป็นกิ่งไม้อันหนึ่งอันเดียวที่ใหญ่ไม่ว่าข้าศึกจะมาโจมตียังไงก็ไม่สามารถพังทลายลงไปได้เช่นเดียวกันบางคนอาจจะพอรู้ว่าความสัมัาคีคืออะไรแล้วสติปัญญาเราจะหาได้จากไหน การที่เราจะเพิ่มพูนสติปัญญาได้หรือจะหาได้นั้นโยมได้หาได้ณนะตอนนี้ที่นี้เวลานี้และครั้งนี้แล้วคือการนั่งจเจริญภาวนานะกรรมฐานหายใจเข้าพุดหายใจออกโทได้รู้ตามเท่าทันสติตามเท่าทันอารมณ์ว่าตอนนี้เรากำลังหายใจเข้าตอนนี้เรากำลังหายใจออก บางคนที่มาเริ่มนั่งใหม่ๆก็อาจจะทำไม่ค่อยได้เพราะว่าไม่ได้รับการฝึกฝนบางคนมานั่งใหม่ๆก็ยังยึดติดอย่างฟุงซ่านกับลูกขัวตัวเมียของตนกับภาระหน้าที่หนี้สินทั้งหลายถ้าทุกคนได้ฝึกไปเรื่อยๆเหมือนที่หลวงพ่อบอกคือ ฝึกให้ชินชินคือฌานฌานคือชินทำนานๆให้เกิดความเคยชินพระพุทธองค์ได้บอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ได้รู้เห็นกับตากับหูอย่าไปเชื่อเรื่องพวกนี้เป็นอจินไตยรู้ได้เฉพาะตัวเฉพาะตนตอตมาก็อยากจะยกโจทย์สักข้อหนึ่ง ให้โยมได้ลองไปทำตามไม่ว่าจะเป็นครั้งนี้หรือครั้งไหนทุกครั้งที่โยมได้นั่งสมาธิจเจริญกรรมฐานดูตามอารมณ์ของตัวเองเมื่อถึงจุดใด จ, จุดหนึ่งจุดที่นิ่งพอแล้วที่ปล่อยวางชั่วขราวเรื่องลูกขัวตัวเมียภรรนีสินทั้งหลาย ในชีวิตประจำวันได้ณจุดนั้นก็จะเกิดสติปัญญาก็อยากให้โยมลองเอาโจทย์ปัญหาของชีวิตโยมสักหนึ่งข้อที่โยมยังไม่สามารถหาคำตอบได้เมื่อจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามโยมลองเอาขึ้นมาตั้งไว้ณขนาดที่จิตเป็นสมาธิคือปล่อยวางจากเรื่องฟุ้งซ่านและกิเลสทั้งหลาย เรื่องนี้ก็ต้องลองทําด้วยตัวองตนเองเพราะเรื่องพวกนี้มันจะรู้ได้เฉพาะตัวเฉพาะตนเรื่องพวกนี้อาตา ม, มาก็เคยลองทํามาแล้วแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่มันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าพอเรากว่าจะฝึกได้สักระดับหนึ่งก็ใช้เวลาพอสมควรบางคน ตั้งปัญหาชีวิตมาหนึ่งข้อบางคนก็หาคําตอบได้ภายใน5นาทีบางคนก็หาคําตอบได้ภายใน10นาทีบางคนก็20นาทีครึ่งชั่วโมงหรือบางคนเป็นชั่วโมงหรือบางคนก็เป็นวันเป็นสัปดาห์แล้วแต่สติปัญญาของญาติโยมทั้งหลายที่ได้ฝึกอยู่มาระดับไหนเท่านั้นเอง ธรรมะนั้นอย่างที่อาตมาบอกธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมะไม่ใช่ของใครคนหนึ่งไม่ใช่ของพระของเนนหรือของแม่ชีธรรมะคือธรรมชาติมันอยู่ได้ทุกมุมทุกที่ทุกเวลาในโลกนี้อยู่ที่ว่าเราจะมองมันออกด้วยปัญญาของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าโยมคนไหนตั้งใจที่อยากจะมาบรรยายธรรมมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเล่าอุทาหรณ์คติสอนใจก็สามารถทำได้เพราะธรรมะคือธรรมชาติไม่ระบุเจาะจงว่าเป็นของผู้ใดผู้หนึ่งเวลาก็ได้ผ่านไป สิบนาทีกว่าแล้วก็อย่างที่อาตมาได้มัรยายมาว่าให้ลองตั้งโจทย์ของชีวิตมาหนึ่งข้อก็จะลองให้โยมเริ่มทำณนะตอนนี้สัก5นาทีบางทีเวลาสัก5นาทีนี้อาจจะน้อยแต่บางคนถ้าไม่เริ่มก้าวก็จะไม่ไปถึงจุดหมาย ้าไม่มีคำว่า1ก็ไม่มีคำว่าสองก็ลองทำสัก5นาที